เสียงอ่านหนังสือชุดมนุษย์เกิดมาทำไมเล่มที่ส5ห้าตอนอัฏฐกถาธรรมบทลาจากพระบาลีภาคที่8เรียบเรียงโดยพระอาจารย์สุวัตสุวัฒโนพิทักวงศุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็กเสียงอ่านโดยอริยาคุณพุทธธรรมชมรมผลดีจัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยคุณเจริญพร อ, อี่มวงศีรุณวรวุพิพึงพรธรรมคุณคุณดวงสมรรตนจันทา คุณกัญยนัตทองบุญคุณอนัญญาทองทุมและคุณธนาการโรจนะภัวเดชพระธรมรมปทกตาแปล ى, ภาคที่8ปดเรื่องนางลูกสุกรพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันส่งปรารบนางลูกสุกรกินคู่ตัวหนึ่งได้ยินว่า วันหนึ่งพระสาสดาเสด็จบินทบาทในกรุงราชครื้ทอดพระเนตรเห็นลูกสุกรตัวหนึ่งกำลังกินคูดหรืออุจจาระทรงตัดบุรภกรรมของนางลูกสุกรนางลูกสุกรนั้นเคยเกิดเป็นแม่ไก่ในที่ใกล้โรงฉันสมัยศาสนาพระกกุสันธสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนั้นภิกษุกำลังแสดงธรรม สาธยายวิปัสนากรรมฐานแม่ไก่ได้ฟังธทมอยู่ขณะนั้นมีเหยี่ยวตัวหนึ่งมาโฉบเอาไปจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้ไปบังเกิดในราชตระกูลเป็นทิดากษัตรนามว่าอุพภรีต่อมาพระนางอุพภรีบำเพ็ญฌานอยู่ขณะถ่ายอุจจาระและเห็นหมูนหนอนแล้วอย่างปุกพังขสัญญา ซึ่งเป็นอสุภาษสัญญาชนิดหนึ่งให้เกิดขึ้นในที่นั้นได้ประถมมาฌานจติจากอัตภาพนั้นแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกแล้วมากำเนิดเป็นสุ ก, กรในบนัดนี้เรื่องนี้จึงตรงกับที่ทรงตัดในธนัญชานี้สูตรว่าฌานเป็นของต่ำทรามภพกิจอื่นที่พึงทำคือพระนิพพานยังมีอยู่แล้วไม่ทำ พระสัสดาทรงยังความสังเวทใจให้เกิดแล้วในหมู่ภิกษุทรงประกาศโทษแห่งราคาตันหาขณะประทับยืนระหว่างถนนนั่นเองได้ทรงพาษิทธิ์เป็นพระคาถาว่าต้นไม้ถึงบุคคลตัดแล้วเมื่อรากยังมั่นคงย่อมงอกได้อีกฉันใดทุกนี้เมื่อตันหานุสัยอันบุคคลยังขจัดไม่ได้ ย่อมเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปฉันนั้นกระแสะแห่งตันหา36อันไหลไปในอารมณ์ที่น่าพอใจเป็นธรรมชาติแรงกล้ามีอยู่ในบุคคลใดผู้นั้นย่อมดำมริด้วยอาศัยราคะนาไปให้มีทิฏฐิชั่วกระแสะแห่งตันหาทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงดุจเทาวัน ท่านทั้งหลายเห็นตัญหานั้นดังเทาวันจงกระจัดรากแห่งตัญหาเสียด้วยปัญญาโสมนัสทั้งหลายที่สร้างไปเปื่นตัญหาดุดยางเหนียวย่อมมีแก่สัตว์สัตว์อาศัยความสำราญนั้นจึงสแสวงหาความสุขสัตว์นั้นย่อมเข้าถึงชาติคือการเกิดเจราและมรณะหมู่สัตว์อันตัญหาดิ้นรนล้อมไว้ ย่อมกระเสือกกระสนเหมือนกระตายถูกในพรานดักได้แล้วหมู่สัตว์ผู้คล้องอยู่ในสังโยตันหาเครื่องคล้องย่อมเข้าถึงทุกบ่อยบ่อยภิกษุผู้เห็นธรรมเป็นที่สำรอกกิเลสแก่ตนพึงบรรเทาตันหาผู้ทำความดิ้นรนเสียอธิบายคำว่า ต้นไม้เมื่อรากอย่างมั่นคงได้แก่ทุกมีชาติทุกทุกเพราะความเกิดเป็นต้นเมื่ออนุัยคือความนอนเนื่องแห่งตันหาอันเป็นไปในทางทวารหกยังไม่ถูกขจัดยังตัดไม่ขาดแล้วย่อมทุกข์ร่ำไปกระแสตันหา36อันไหลเป็นในอารมณ์ได้แก่ตันหาอิงอายตนะภายใน18ป อิอายตนะภายนอกสิปย่อมไหลไปในอารมณ์มีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นอันเป็นที่ชอบใจเมื่อเห็นเมื่อได้ยินย่อมดำริชั่วย่อมนำบุคคลให้วิบัติไปไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงเพราะไหลไปในรูปเสียงเป็นต้นโดยอำนาจแห่งทวารมีตาหูเป็นต้นเพราะตัณหาทั้งหมดเกิดขึ้นที่รูปเสียง มีรูปตัญหาสัทธตันหาคันธตัญหารสตันหาโพธพะตัญห า, ญห า, า, ญหาและธรรมตัญหาย่อมไหลไปนในอุปาทานพบชาตชรามรณะตัญหาเป็นเครื่องพัวพันรัดรึงไว้ตันหาชื่อว่าละตาหรือละดาแปลว่าเครือเถาเครื่องพัวพันเครื่องรัดรึง ตัณหานี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นที่รูปในปิยรูปและสาตรูปนี้เป็นต้นตัณหานี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่ตาหูเป็นต้นและเมื่อจะดับก็ดับที่ตาหูเป็นต้นนั่นแหละอันว่าตัณหานี้ดดยางเหนียวฉาบทาแล้วเป็นดังยางเหนียวอันเป็นไปในปัจัยสีและบริการทั้งหลายมีจีวรเครื่องนุ่งห่มเป็นต้น ในการจบเทสนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แหลนางลูกสุก่อนนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในราชสกุลในสุวรรณภูมิจุติจากอัตภาพนั้นเกิดในกรุงพารณสีจุติแล้วเกิดในเรือนพ่อค้ามา้าที่ท่าเรือสุปรารกะ จุติเล่าเกิดในเรือนของนายเรือที่ท่าขาวิระจุติเล่าเกิดในเรือนของอิสระชนในเมืองอนุราธบุรีจุติเล่าเกิดเป็นธิดาในเรือนของคุดุมพีชื่อสุมนณะในเพศกันตคามชื่อสุมนาะต่อมานางได้ไปสู่สกุลสามีที่แควนทีขวาปีหมู่บ้านมหามมนีคามอามาทของพระเจ้า ทุกตะคามณีนามว่าละกุณตกะอติมาพระภิกษุทั้งหลายต่างกล่าวว่านางลูกสุกรถึงความเป็นภริยาของอมาตะละกุนตกะแล้วหนอน่าอัศจรรย์จริงนางฟังคำนั้นแล้วกลับได้ยานระลึกชาติได้ในขณะนั้นนั่นเองนางมีความสลดสังเวชใจ ออนวอนสามีบวชแล้วในสำนักพระเทรีได้ฟังคาถามาหาสติปทานสูตรตั้งอยู่ในโสดาปติผลต่อมาพระสุมนาเทรีได้ฟังอาศีวีสุปมสูตรบรรลุพระอรหันต์แล้วพระนางสุมนาเทรีได้เล่าประวัติของนางอย่างละเอียดแก่ภิกษุสงฆ์ได้อัตภาพถึง13าอัตภาพ อันสูงสูงต่ำๆอย่างนี้ด้วยประการชะนี้บัดนี้เกิดในอัตภาพอันอุกฤษแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงยังธรรมะอันเป็นกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิดเมื่อท่านกล่าวจบแล้วยังบริสัทสีให้สังเวศแล้วปรินิพานดังนี้แหลอาสีวิโสปมาสูตร ว่าด้วยอสระพิษทั้งสี่คือมหาพุตรูปสเพชรชาทั้งหได้แก่อุปทานขันหคือรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันเพชรชาตที่หได้แก่นันทิราคะหนีไปพบบ้านร้างทั้ง6ได้แกอายตนะภายใน6พบโจรทั้งหได้แกอายตนะภายนอกห ไปพบข่วงน้ำได้แก่โอคะทั้งสี่มีกามโอคะเป็นต้นพึงข้ามเสียได้ด้วยอริยมรตมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น